ให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้ทุกกันตอนเช้าตอนเย็นจะวัดจบลงพ อ, พอดีพอดีเมื่อเราซักผ้าเพื่อจะยอ่อมการสาธยายพระสูตรต่าง นัก็การซัพผ้าเพื่อเตรียมควงมพร้อมจะยมอมเอาสีที่เราต้องการจึงต้องทำกันบางที่ตามวัดจบ ก, ก็นั่งสมาธิต่อชิดบ่าไม่ค่อย ไม่ค่อยสมดุลเราจึงใช่ให้เหมาะสมเวลานี้เราก็ปฏิบัติทำกันเพื่อเตรียมความพร้อมหลายทาง ออกจากสาทยายพระสูตรแล้วก็มีโอกาสให้เกิดสัญญาในใจเพื่อใช่พระสูตรมาเกี่ยวกับการกระทํำของเราแล้วเราก็ได้สาทยายทาแล้วก็ได้มีการกระทำแล้วก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราสาทยายสิย่งที่เราได้ยินในฟังสิ่งที่เรากระทามันก็เป็น ส่วนประกอบแนวร่วมสนับสนุนให้ทำอะไรง่ายขึ้นนั้นเรามีมีดเพื่อจจสับเสาทำไร่ทำนามีจอบมีเสียมเพื่อจะปลูกตนน้นไม้หดหลุมหรือมีเพิ่มรู้ที่เราได้ศึกษามา เืเตรมความพร้อมเอเชเราจะพิมพ์หนังสือก็ต้องพิมพ์ดีเป็นทมคอมพิวเตอร์เป็นอ่านด อ, อเขียนได้ก็ถูกอกระพยายามชนะจะไม่ได้ผิดในการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกันแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรหลายอย่างเกี่ยวข้องกับไอ้อน เกี่วงก็บพลอยหน่อยมันก็มีสิ่งทีรับกันเหมือนเราไม่มีวิทยุมีโทรศัพท์มีคลื่นมีสัญญาณเกี่ยวข้องกันถ้าเรามีวิทยุก็มีคลื่นเราอยากฟังอะไรเราก็ฟังได้ถ้าอยากฟังก็ปิดได้เราใช่เป็น การใช้ชีวิตของเราเป็ดตายออกไปไงเนี่ยก็ต้องใช้ให้เป็นหัดใช้ให้เป็นแต่ใช่ไม่เป็นก็นเป็นการบ้านเป็นภาระอะไจึงสุขัดเช่นภายในเช่นความหนาวเยินของอุณภูมิ ล้าก็มีกายมีจิตใจรู้สึกหนาวรู้สึกลอนเท่านี้ไม่พอก็ต่อไปอีกเป็นสุขเป็นทุกข์ดอมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์เกี่ยวข้องกันแล้วก็ เกี่ยวข้กันถูกหาที่เกี่ยวข้อกับเร่งต่างให้ถูกเวลาเรามีสตินั่ก็จะมาเกี่ยวข้องเวลามีสติก็เป็นอย่างหนึ่งเวลาเราหลงก็เป็นอย่างหนึ่งอาเห็นตาว่าที่หลงอาเห็นตาว่าที่รู้เกี่ยวข้องกัควหลงให้เป็นจับ ความรู้ไม่ใช่ให้เป็นให้ถูกก็แล้วเทศะให้ถูกที่ให้ถูกจังหวะถูกโอกาสแต่ใช่ไม่เป็นนันก็สับสนเ mm hmm. ันที่จะสําเร็จประโยชน์ก็เลยเกิดเป็นโทษก็มีเหมือนกันเวลามันรู้สัมผัสตูวเวลาจมันหลงสัมผัสตูวมันมีให้เห็น ตลอดถ้ามันหลงรู้แปลว่าใช่เป็นแล้วถ้ามันหลงเราไม่รู้ใช่ไม่เป็นเลยทั้งๆที่มีความรู้อยู่ไปใช้ความรู้ไปทางอื่นแบบติมรู้สึกตัวก็เป็นประโยชน์ถึงจะมาหัดหัดกายเคลื่อนไหวไปมาให้มันรู้ไงให้มันรู้หรือว่าเจ็บอารมณ์ถ้ามันหลงรู้ เก็บารมเวลามันหลงรู้สึกตัวเกว่าเก็บอารมณ์เวลามันอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวเรว่าเก็บอารมณ์ก็มันเป็นอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ความรู้เราก็มีความรู้ก็มีความรู้เรียว่าได้บรรลุธรรมขั้น ต, นตน้นๆเราก็เราผ่านได้แล้วถ้ามันหลงหลง ไม่มีบรรลุทําไม่ผ่านหรือว่าไม่ผ่านมันมีเกณฑ์คิดว่าจากนี้การปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปถามใครถ้ามันหลงรู้สึกตัวถ้ามันทุกข์รู้สึกตัวถ้ามันโกรธรู้สึกตัวถ้ามันร้อนมันหนาวรู้สึกตัวถ้ามันหิวมันเจ็บมันปวดอะไรรู้สึกตัวหัดให้เป็นลมรู้สึกตัวที่เป็นต้น เบื้องต้นมันก็จะลื่นไปแม้แเราชํานาญในวิชาการอะไรเพี้ยแตย่มองก็สําเร็จแล้วทําอะไรก็สําเร็จถ้าเราใช่ไม่เป็นก็อะไรก็ไม่สําเร็จการมาลุธทำอย่าไปคิดว่าเมื่อไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรจะเกิดขึ้ น, ออนทําไมจึงไม่เป็นทําไมจึงไม่เป็นอใช่ มันก็เริ่มต้นจากภาวะที่หลงรู้สึกตัวมันหนาวรู้สึกตัวมันร้อนรู้สึกตัวมันหิวรู้สึกตัวมันทุกข์รู้สึกตัวมันฉุกข์รู้สึกตัวอะไรก็ตามให้มันรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้ทำตั้งแต่นี่ต่อเก้าไปไปทำเป็นทำเป็นทําให้เป็นทําให้เป็นเรามหัดตรงนี้ก่อนถ้าทำตรนนี้ไม่เป็นก็ไม่เป็นแต่พืพ้นตัวแบบลมหลงก็ จนตายความทุกข์ก็จนตายความโกรธก็จนตายเราจึงฝึกฝนตนเองหลวงพ่อพวมอยู่แล้วหลงก็หลงออเองลูกก็ลูกเองไม่มีใครช่วยใครได้เพียงแต่เราบอกมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีอย่างนี้ก็มี เร่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าสมัยก่อน mm hmm. เคยเลือกพระสงฆ์มามานี่มานี่พระสงฆ์ต้งหลายพิสูจน์ต้องหลายเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี mm hmm. ให้ตับในใจให้มากนี่แต่พระสงฆ์มองลูกอาภาตก็บอกวิธีไปบอกเชืิญพระ ชิลิมาโนนอาพาธพระพุทธเจ้าก็เรียกอานน์ไปพูดถึงปังอัุญาติา ป, ปกานเพราะชิลิมังานน์ก็หายอาพาตัยทว่าบางทีมันก็เป็นการช่วยได้นั่นเหี้ยวยาบางอย่าง ภาษาอะไรการเกิดการแฉกการเจ็บการตายภาษาอะไรการโลกของโกดของหลงมันไม่ใช่อาภารแค่นี้ก็ไม่ผ่านจะ ไ, ไปผ่านอะไรได้ยังหลงอยู่เวลามันหลงแทนที่จะรู้ไม่รู้เสียแล้วพาดเสียแล้วไม่รักษาตรงนี้เสียแล้วเป็นโลกอยู่ในโลก โคดเจ้าโล ก, กวิฑูรู้แข้งรูกเ น, นี่ยไม่ใช่เราไปทำเหมือนเอาอย่างอื่นถูกต้องไม่ใช่เป็นพระหีาธารำเอาแต่อย่างอื่นถูกต้องอัจฉริยธรรมภายในไม่ถูกต้องเลยอัจฉตายธรรมมาพิตาธรรมมาพระท่านจวด อภิธรรมหรือพระพุทธเจ้าไว้โปรดมาน่ะเราพูดหลังเนี่ยอัจฉริธรรมคือทำภายในภะยธาธรรมทำไปนอกภาในนี่ไม่เป็นระเบียบสักทีไม่รู้เอาความรู้มาเกี่ยวกับความหลงเรียกว่าอัจฉริธรรม เ่าความหลงเอาเหตุเอาผลทําไมภายนอกเอาสิ่งอื่นวัตถุอื่นมาประกอบคนนั้นทําให้เราหลงคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนั้นทําให้เรานนเราดืดอดร้อนเบียดเบียนเราไม่เป็นธรรมต่อเราไปจัดการกันไปพูดไปจาเจรจากันเจรจากันไม่ตกลงเกิดปัญหาเรื่อยไปบานปลายไป ถ้าอชิตตาทำภายในเราต้องมาลู่ตัวเราคนินทาเราก็ลู่เราคนสันเสริลเราก็ลู่เราได้ก็ลู่เราเสียก็ลู่ได้สุขก็ลู่โลทุกก็ลู่โล เ, เรียกว่าจัดภายในของตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะงัดอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้มาม่หัตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอะไร เ ว, เวลาเปล่าน่นช้าการที่จะผ่านมันหลงผ่านความหลงเป็นภาวะที่รู้มันทุกข์ผ่านความทุกข์เป็นภาวะที่รู้มันสุขผ่านความสุขเป็นภาวะที่รู้มันผิดผ่านความผิดเป็นภาวะที่รู้อ๋อไล่ข้อต่อไปเสียก่อนไปเสียก่อนเดินไปก่อน แม้แต่สองข้างทางจะมีอะไรมากมายก็ผ่านไปก่อนอาการข้องแวะการข้องแวะเรืองปริพู์บางทีเอาเรื่องปริพู์มาเป็นใจเรื่องภายในก็มีปริพู์เรื่องภายนอกมีบริพูดปริโพู์ยอดปริโูธทรัพย์สินปริพู์สุขภาพปริพู์ กังวลห่วนนงนั่นห่วงนี่กังวล อ, อยู่ไม่ใช่ตัดไปเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปผมรู้สึกตัวไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นนี่การเจ็บอารมณ์ก็ให้ชัดเจนแม่นยําในเรื่องนี้มันก็เจ็บแต่มันเจ็บเอาตัวนี่แ่ะเจ็บตรงที่มันเสียไปจบ เก็บตรงที่มันตกหล่นอะไรที่มันไม่ดีทําให้มันดีให้เห็นมันไม่ดีไอ้แค่ตรงที่มันไม่ดีมันล้มตาเอรถไปดูแยเมื่อวานให้เขาดูให้มันตรงไหนเมันจะไม่เย็นเขาว่าฮะตรงนี้มัไม่ดีเดี๋ไป ปะยางรถมันลุว่วต่องไหนมันลุวล่วดูเห็นตรงที่มันลุว่วมันจึงแค่ความลุ่วได้เห็นตรงที่มันผิดมันจึงเปลี่ยนความผิดเป็นถูกได้เห็นตรงที่มันทุกข์มันจึงเปลี่ยนความทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้ถ้าเราไม่ชมถ้าาเราไ่ทําตรงนี้มันก็ไม่เสร็ จ, จิตตีะขี้โกรธขี้โล้ปขี้หลงเลยไปขี้ทุกข์เลยไปขี้สุขเวยไปพอใจไม่พ อ, guys, พอใจเลยไป อยู่ในโลกนั้นมานานแล้วก็แต่ว่ามันไม่คินกับโลกอย่างนี้แล้วต้องหัดตัวเราทวนกระแสอหัดทวนกระแสเจะเปรียบเทียบนี่ดีนี่ไม่ดีอาจารย์ตรงนี้ดีอาจารย์ตรงนี้ไม่ดีแล้วดีไม่ดีจากสื่อวัตถุไม่มองตอนเอง อะไรที่ไม่ดีมันก็อยู่กับเราเราก็ทําให้มันดีสิไม่ใช่อุปบัญไดของคนมาเป็นเรื่องของเราไม่ใช่อุปบัญไดของคนมาเป็นเรื่องของเราเราก็ทําเราก็รู้อยู่ไม่มีใครไม่รู้โกรธเราก็รู้ไม่โกรธเราก็รู้ทุกเราก็รู้ไม่ทุกเราก็รู้หลงเราก็รู้ไม่หลงเราก็รู้ ไม่มีใครไม่รู้เรื่องตัวเองไม่มีตัวไหนปิดตัง้ำแพงได้หลอกตัวเองมาได้ถ้าหลอกก็จะหลอกได้เราจึงมาเปิดตัวแล้วก็เกี่ยวข้งองหยอกหยอทอดทุละมันหลงที่ใดก็เป็นเรื่องที่ดีแล้ะจะได้รู้เราวางลูกก็ดีจริงๆ ควารู้จึกตัวก็ดีจริงจริงให้มันรู้อย่าไปให้ควารู้ผิดประเภทไปเราคงารู้ผิดประเภทไปไปที่ผิดที่ถูกกับสึ่งอื่นความรู้จึกตัวมันเสร็จมันมาก่อนอะไรมันเกิดขึ้นรู้จึกตัวจบไปแล้วมันล้อองนิ้วมือไปเคาะเข่า เอามือไปข้อหกลู่แล้วลู่แล้วอย่าไปขี้ลู่แล้วพอแล้วลู่ซื่อๆ อ, อย่าให้มีรสชาติรสชาติของวมลู่สึดตัวไม่มีรสนะไม่มีคําว่าผิดไม่มีคําว่าถูกมันมีคําว่าได้ไปมีคําว่าเสียลู่ซื่อๆลู่เข้าไปก็จบแล้วอันผิดอันถูกไม่ใช่วงลู่แล้วเหตุผล อะไรต่างๆไปเลยเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมมันจึงมีรถเดียวคือรู้สึกตัวของโลกไม่ใช่รถอะไรต่างๆสัพพรัสังธรรมลัทขินาติรถพระธรรมคือผมรู้สึกตัวเนี่ยเป็นรถเดียวรถเดียวนี่สามารถรู้ทุกรถ ถ้าไม่มีรถเดียวก็ลูดทุกรถไปได้ความโกรธเป็นรถตันหนึ่งความรักเป็นรถอันหนังความชังเป็นรถอันหนังความสุขคมทุกข์เป็นรถอันหนังถ้าเรารู้สตัวมีรถอันเดียวเฉลยไปได้เลยยิ่งใหญ่เป็นอินทรีย์่จ้าสติอินทรีย์ไม่ใช่ตาใช่หูเสียแล้วแต่ก่อนรถต้องตารถต้องหูแย่งความเป็นใหญ่เพราะไม่มี อะไรที่มันเป็นธรรมาร ม, มันธรรมทไมเราว่าจะไม่ว่ามีสติอินทรีย์มันเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่กัวาตาตัวหูจมูกลิ้นกาอยใจลูรกรดกลิ่นเสียงสัมปัตรอารมณ์มันเจ้าของบา ไม่เถื่อนถ้าหลงโ็เถื่อนถ้าสุโกเถื่อนถ้าทุกโกเถื่อนพอใจไม่พอใจเป็นความเถื่อนป่าเถื่อนของชีวิตถ้าเรามีความปะเถือนในชีวิตเราก็มีป่าเถื่อนคีวิตอื่นๆเลยไปทะเลาะว่าเรื่อยไ ป, ไปขัดแย้งกันเลยไปเป็นมหาเลื่อยไปมันก็ไม่ยากมันก็ผ่านหน้าผ่านตาอยู่ตลอดเวลากันศึกษาเรื่องนี้ ไม่ใช่มีที่ใดห้องเรียนที่ใดก็ใจเราเนี่เป็นำตำหลอดสติเป็นตัวศึกษา้องที่สุดเลยเป็นศาสตร์แต่ความตื่นตัวไม่ใชศาตร์อันเดิมพระพุทธเจ้าจบมาสิิจศาสตร์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลย ต่อมามีสัตยังวนตื่นตัว เ, เกิดเป็นพุท ธ, ธขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเราไปรออะไรไปอะไรใครเรียกใครมาช่วยที่ไหนเมื่ อ, อไร่เมื่อเดี๋ยวนี้แหละทุกเวลานาที่อากาศดีโกไม่ประกอบเลยก่อนเวลาเลยแล้วก็พยายามศึกษาไปดูไปเห็นไป บางคนปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยเลยเอ้าไปเอาอะไรต่อไปเอาอะไรได้ไปเอาอะ ไ, ไ, ไ, ไ, ไรเป็นเรื่องได้ไทําได้บางทีก็ทำไม่ได้บางทีก็ยากบางทีก็ง่าเอาาเออันนี้ถูกอันนี้ผิดมันก็ไปทางเงินแล้วไม่เข้าทางแล้วผิดทางไปแล้ว มันไม่มีคําคว่า ไ, ได้ไม่มีคําว่าไม่ได้ไม่มีคําว่าผิดไม่มีคําว่าถูกมีแต่รู้แม้มันผิดก็รู้อย่างนี้เมื่อวันผิดวันถูกก็รู้อย่างเนี้เมื่อวันสุขก็รู้อย่างนี้เมื่อวันทุกข์ก็รู้อย่างนี้ไม่มีคําว่าได้ไม่ได้ไม่มีคำว่ายากคำว่าง่ายคาว่าที่รู้มันเป็นคาว่าที่ยิดยืดสลื่ เ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใจจุดหน่อยถ้ชื่นถ้าภาวะที่รูดภาวะที่เป็นมันก็ผิดปกติ <c oughs> มันปั่นปั่นหัวก็ไปทำไม่ปกติผิดไปไม่มีศีลถ้ารู้เดี๋ยวมันมันเป็นสิ่งไว้ล้อมถ้าไปศีลงอกงา รูปสึดตัวปกติสินคือปกติไม่ใช่สินเนี่ยจะมาเป็นรูปแบบภายนอกมือถือสาย ป, ปากสือสินใช่สินมันเป็นปกติทั้งหมดแม้แต่อยู่ในที่ไหนก็ปกติได้ถ้าโลหาตัตตนสนตน สแสดงมันเป็นการสแสดงอยู่ในเราเนี่ยถ้าเราไม่สแสดงก็จบซะถ้าเป็นทุกข์ก็สแสดงบทดังถ้าเป็นสุขก็สแสดงบทดังถ้าเราเห็นก็ไม่มีการสแสดงอะไระจบเป็นชีวิต ท, ที่จบจบตรงนี้มัน หลงกว่าลูกจบไปแล้วมันสุข ก, ก็รลูกจบไปแล้วมันทุกขก็รลูกจบไปแล้วมันร้อนก็รลูกมันหนาวกว่าลูกมันหิวกว่าลูกจบไปแล้วถ้าไม่ลูกจัวนี้ก็ไปแล้วลูกก็มีเรื่องที่ไปไกลแล้วก็มีลูกเด่ย โลกมีนามเมฒนาก็ไปไกลสัญญาก็ไปไกลสังขารก็ไปไกลท่องเที่ยวไปวิญญาณก็ไปไกลท่องเที่ยวไปในว่าจะสงสารไดมันได้อะไรมันก็มีจตธรรเป็นดงเป็นดงแห่งความหลง ก็ใช่ดงวัดป่าทุกตดงมันเป็นป่าลูกก็เป็นป่าอะไรที่มันเกิดกับลูกเป็นพวพเป็นชาติอย่างไรอะไรที่มันเกิดจากเวทนาบางทีมันป้นเอาบางทีมันซื้อเอาบางทีมันข่มขืนเอาบางทีมันหิวในเวทนาเป็นเป็ดในเวทนา เป็นสนนลบทในเวทนาเป็นฤๅษานในเวทนาเป็นอสุรกายในเวทนาส่วนเจอก็บงกังเกิดเปรื่อนอะไรมาลุงลังไปหมดเราจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเพิกเคยเลยล่ะฉหาดนม่ได้เลยหมดจดไม่ได้เลยปกติไมะได้เลย สติอินซีไม่สติรู้สึกตัวเก็พอเราทำอย่างนี้้าไมจุกสามก็เป็นพาละพ า, า, า, า, า, าละหาเวบรรจักรัตน์รัตน์ห้าเป็นของหนักตื้อพาลหาโลจะปุกโลมุขนเหลเป็นผู้แบกของนาพาใบพ า, า, า, าละทารังทุกขังลอยเยการถือของหนักเป็นความทุกข์นโลก เวลาในเข็บังสุขังการสลัดของหนักที่งลงเสียเป็นความสุขนี่ิปติวาคารมพลังพระอริเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอะไรต่อไปไม่เชียนน้อยทั้งมหยิบเจอของทั้งมาหยิบเจ อ, อ, อ, อของหนักอันอื่นเพิ่อีกดับสนิทไม่มีส่วนหรือ จำนะไม่กบดีดีกับการศึกษามันประกอบไปส่วนประกอบเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่ใช่ต <describes> ัวตนตัวขาบมันกัดมันปวดการปวดนี่เป็นทุกขเวทนาเป็นเราปวดไหม ถ้าเรามาเตรียมพร้อมเราปวดถตงที่รยเปรเซถ้าเราเห็นแล้วโอ้เวทนาไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่เที่ยงอาจจะเป็นความยิ้มได้ไม่ร้องไห้นะอาจจะเป็นการสดชื่นได้เราตาเคยปวดตะครับกัดเอาผ้าอาบน้ำผูกใส่เก้าอี้ นอนอย่ชลาน้ำเอจแย่งไปมันปวดแจ่งแล้วสนุกอีโอไม่เคยทำํำแบบนี้ลเลยนะมันก็สนุกดีอะเนาไม่เที่ยถ้าจะคลางว่าอือสักมันไม่ใช่อื้อแบบยิ้มนะไม่ได้อือแบบเจ็บปวดอืมมันทุกก็อืมมันทุกก็อืม อันเดียวอะไรที่มันเกิดขึ้นก็อืมมันเกิดความจ็ความเจ็บปวดไอืมวิปัจนาถึงบางอ้อออแล้วก็นงเอานทาแล้วอืมเรานแล้ว่หมายถึงความรู้จึกตัวนะนี่เจ็บอารมณ์ให้ ให้ให้ผ่านตรงไหนเจ็บได้ตรงไหนมันเราเวลามีเงินไม่ทองที่จะเก็บไปถ้าไปเจ็บในเวลามีมันก็ไปเก็บตรงไหนรด้เวลามันหลงเป็นเวลาที่เก็บอารมณ์ให้มีความ ร, รู้เก็บเอาความรู้ในเวลามันหลงเก็บเอาความรู้ในเวลามันทุกเก็บเอาความรู้ในเวลามันโกรธ เก็บอะไรทุกอย่างที่ไม่ใช่ความรู้เก็บมาเป็นความรู้ด้วยเจ็บอารมณ์นะ๋ยวที่ไหนก็หัดเก็บหัดเก็บตรงที่มันมันเล้ะเทอเทอะมันวุ่นวายแล้วหยาดหลบหยาหลีกเกินไปสู้ๆเจ้าหนุบางทีเจ็บอารมณ์อ่อนแอไปเลยบางทีนักกรรมฐานเนี่ยลาออกจากงานจากการ ไปเช่าบ้านป่าไม้อยู่มีงานมีเงินไม่อยู่กับบ้านจะแล้วซึ่งคอบทิ้งครัวก็ อ, อยู่กับดงกับป่าแล้วต้องไม่ใช่อย่างนั้นเลยเหน ล, ลักต้องเอาตามาอยู่นี่สมัยปีห้าร้อยสิสี่สบห้าสบห ยี่สิอ่าใช่หมเล่นแล้ววเทียนดาวสงก็เทียนเดินขึ้นมามาอยูจ่จังใดคนลู่ธรรมะมาอยู่กับลิงกับค้างน่ยแหละคนลู่ธรรมะต้องอยู่กับผู้คนทางก็เหมือนทางหนูเนี่ยมันก็เป็นทางหมูจริงๆใ่มปเพ็กป่าเพ็กันก็ ทางเราอยู่พื้นๆน่ะทั้งบนเนี่ยมันป่าเพล็เกเจาะกันเ mm hmm. ติรนผ่านไปเหมือนทางหนูอ๋อตอนอยู่กับคนอยู่กับโลกโลกแย่งโลกอยู่หนวโลกถ้าไม่มีโลกไปเจ๋งนือโลกได้ยังไงแล้วไม่มีนืไม่มีน้ำเราจะอยู่หนอน้ำได้มันต้องมีพ่วงแผ่ธรรมะเหมือน พ, วพ่วงแผ่ ข้ามปล่อยน้ำได้เหนือสะเทือนบกสะเทือนน้าขึ้นฝั่งได้เราก็ต้องทุกข์กันน่ะเป็นสัตว์สะเทนบกเป็นสัตวะเทือนน้ำนีไม่พน้นโลกนี่อเจ้าก็นี้ไม่พน้นนินทาเฉินเฉินนทีนินทาอ น, านันติโตคนเป็นถูกเนินทาไม่มีในโลก มสมัยมพูดเจ้าเพระทมพูดที่าดมีแต่คนดา่าเพราะแปลกพรามเนี่ยไม่โขนผมยิ่งเป็นกระสัแล้วโกนผมทิ้งพระเจ้าจะโทรทัะอายผู้อายคนเหนื่อยถือหมอดินขอข้าวยิกอา ย, อยา ไม่มีวันละใดยิ่งอาใหญ่ก็ถูกด่ามันสวนกระแสมันทวนกระแสของโลกนางกินจะมานิกาใช่มั้ยด่าใช่ไหมตั้งด่าตั้ง4จังหวัดจะเราจะคืออะไรไปด่าไปด่าไป จ้างคนด่าไอสัตว์ออกชื่อทั้งหมดไอแพะไอเจ๊ไอหมาไอกูดไ อ, อะไรต่างๆออกชื่อไม่มีชื่อสัตว์ใดที่มาด่าจนผ้าโนนดรอนจนพระเจ้ากับบ้านพ่อเราเด็กัวกับมินทรพนน์โนนเอาน้นถ้าไปเคยมีบัตรเขาตาทำไงไปไหนอนทิเ น, นทานนักที่โตคนไม่ถูกเป็นทานไม่มีแต่โลกเลย เราเน่ยมีคนด่าขนาดนั้นหรือทําไมจมทุกข์ดุดืดร้อนเพียงแต่อุปทานที่ยึดไว้อันนี้เราพัดพากจากของเลอของชอบใจมันเกิดขึ้นจากใครมันเกิดจากเราความพัดพากจากของเลอของชอบใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแยงใจปัญหาจึงใดไมาได้จึงนั้นมันทุกข์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทุกข์อยู่ที่อร่อย ถ้ามีคนมาดามันพระพุทธเจ้าเราอยู่ไงในโลกเนี่ยฮะคิดน้อย <c oughs> ต้องเก่งะนะต้องอยู่ยงคงกระพันนะอันนี้ก็พูดให้ฟังอาจจะพูดให้จงออกไปทํามันหลงรู้ว่ า, าทําเลยแล้วทําเป็นแล้วมันทุกข์รู้ทําเป็นแล้วมันสุขรู้ทําเป็นแล้วมันโกรธรู้ทาเป็นแล้ว มันรอ้อนมันหนาวรูกทําเป็นแล้วมันหิวมันปวดมันเก็บรู้ทึกตัวทําเป็นทําให้เป็นทําให้เป็นการทําให้เป็นอย่างนี้ไม่ใครสอนเราด้เราต้องสอนตัวเราเองนะจะยินบ่กเอปังก็มีตัวประกรันใช่ไหมกับพระฟ้องกัน <c oughs>